โดยอาศัยรูปแบบต่างๆการถือบวชหมมชีวอนห่มผ้ากาสภัวะษหมขาวห่มสีไหนก็ตามมาอยู่ในวัดวาารามมีสะสะพิธีขาสารพิธีจิตวัดวิธีวัดประจำวัน ็นเช้าึ้นมาตีทีก็มาร่วมกันทำวัดสวดมนต์ออกเสียงปนมมืออยู่ในท่าตั้งใจตั้งกายสาธยายพระสูตรที่เป็นคำสอนมีสติจิตใจใจตามเรานี้เหมือน อกไ้ต่างต้นต่างสีต่างลักษณะหรือว่าลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจคอมาเข้ากรอบมาเข้าแบบมาเข้าพิมพ์ถ้เหมือนดอกไม้ก็มาเอาเช่นได้มาล้อยเข้ากันกลายเปฟงมาไหลพวกเราก็เป็นคนละนิสัยใจคอมาทำรันเดียวกันมีสติ โดยอาศัยวิชากรรมฐานดูแลกายใจของตนตามรูปแบบของกรรมฐานโดยภาษาคำพูดก็บอกไปอีกมีการกระทําบอกไปอีกมีที่ตั้งแห่งการกระทําลงไปอีกว่าข้าแบบข้อพิมพ์ เหมือนอิดหินดินปูนทรายมารวมกันเข้าน้ำปูนลงไปเป็นเนื้อเดียวกันเทใส่พิมพ์ลูกของพ้าก็เป็นพระลูกของต้นเสาสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมก็เป็นต้นเสากลายเป็นคอนกรีตแต่แงแต่งไม่ใช่เรียกหินเรียกปูนเลือกซอยเลือกเป็นคอนกรีต ถ้าเป็นเดเป็นถินเป็นปุนสายอยู่คนละที่มันมีกำลังได้ประโยชน์ไม่เคยได้พอมาเข้าแบบก็เป็มเข้ารูปกั บ, บางวิธีกลายเป็นของตืดร้อยปีหลายล้อยปีสร้างตึกสร้างบ้านสร้างสะพานให่ใหญ่ โ, โตเที่พึ่งประาสาทฉันเลยก็ดีทาบารีนยัย รูปแบบประมาฐานหลักการปฏิบัติต่างๆเหมือนกันมามีสติเป็นกรรมาฐานมีที่ตั้งของการกระทํามนภาวนาขยันจะมาใส่จะมาใส่มันหลุดออกไปจะมาใส่ทางไหนที่มันหลุดออกไปทาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้เล่ กายสัมผัสใจคิดเลือกหลุดอกไปให้กับมวลรูปจากตัวมาเปน็นเดียวกันความคิดก็เป็นความรู้ตาเห็นรูป ก, ก็เป็นความรู้หูได้ยินเสียงก็เป็นความรู้จมูกได้กินก็เป็นความรู้ลิ้นไหลลดกายสัมผัสใจคิดไปก็ได้ความรู้อย่าให้ผิงความพอใจไม่พอใจตะโกนกับจอาก็ใจก็ช่วยกระจาย กระชวยกะจายไปคนนทางตาก็หวันกับนกตก็หวนกระเหวันกับงูซะหมูก็หวันกับนกะโก็หวันสุนักวิ่เร็บ้านเร่งก็หวั่นจะละกเข่เอาต่างๆตามที่พระเจ้าวันหยัดเปรียบเทียบ ไปคนละทางเมื่อไปคนละทางก็ไมอันเดียวกันกลับมาถึงใจพอใจไม่พอใจอย่างนี้มันก็ไปไกลจนถึงความพอใจไม่พอใจอุนิสุดก็ใจเป็นที่รับเปิดเปืือนไปหมดเลยอันนั่นก็ดึงเอามานี่ก็ดึงเอามามาสู่ที่จิตใจใจก็มาดีๆก็เปิดเปลือนไปหมด ไปเป็นนิสัยหาขาจะหลุดโทสะจลุดโมหะจลุดก็ทำตามนิสัยของตนก็ไปคนละทิศลทางเกิดปัญหาขึ้นมาต่อตัวเองด้วยต่อคนอื่นด้วยเราจึงมาอาศัยกรรมมาถานดิง ก, กลับม า, ล ก, า ก, กลับมารู้จักตัวกลอบมารู้จักตัวกลอบมารู้จักตัว โดยการนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนลงบางทีเขาศีรัะถาได้ศึกษาดนปฏิบัติกลายเป็นพระพุทธเจา้าอบัติขึ้นวางในโลกทำๆอย่างนี้แล้มีแบบอย่างนี้มาเขา้าพิมพ์อย่างนี้หรือแบบเสาสีเหลี่ยงก็ทําแบบอย่างนี้ถ้าอยากเป็นคอนเสิร์ตก็มาเข้าแบบแบ บ, แ บ, บนี้อย่าเป็นเศษถ้าไม่เข้าแบบก็เป็นขยับเป็นเศษไปเอาไปทิ้ง ระวังดีมีสติทําได้ทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นมากลับมานี่กลับมานี่ทุกคนทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ความห ล, กกมลกมกงกลายเป็นความรู้ได้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ได้ความโกรธเกิดตงห์หาหลักค่าอะไรกลายเป็นความรู้ได้ความผู้งซ่อนกลายเป็นความรู้ได้ การงูหหอนอนก็นกลายเป็นความรู้ได้มาลงนี่รทั้งหม ด, ดตน้นฝึกตน้นสอนตน้นทวนก็แฉสักหน่อยมันเคยไหลเคยดื้อเหมือนกับความดื้อมีอยู่ห้าอย่างรูปมันดื้อเวทนาก็ดื้อสัญญาก็ดื้อสังขารก็ดื้อวิญญาณก็ดื้อ แต่ว่าขันหน้าลราก็รัประทานไะยืดป่าตัวเราด้วยความดื้เข้ามาเมื่อมีความดื้ดขึ้นก็ไปถึงเชงอืน่นบอดไม่ได้สอมาได้พอจัดวีความรู้จเกตัวขึ้นบางเอาความง่วงว้าใส่ถึงต่อไปขึ้นออนแอนี่มีอนดื้ <c oughs> เรียกว่านิวรณธรรมขวงกัน้นไม่นี้สติได้แล้วก็จะได้เห็นชิล่านี้ไม่มีใครไม่เห็นเป็นผู้ขอลู ก, กเลิกพระพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ผ่านลูกดีเหมือนกันเหมือนกันหมดอย่าถึงว่าตัวเราคนเดียวหวามง่วงงงนอนความหลงเหลือสงสอยความคิดพุ่งซ่อน อาจจะเกิดไปบอดหรือกอมมาหลัคขาขึ้นมาผลเคยมีคนเคยคเคยช่อย่างนี้นก็ไหลไปทางนั่นไหลไปทางนั้นง่ายเหมือนน้าไหลจ า, ากที่สูงสู่ที่ต่ำง่ายที่จะไหลไปทางนั้นไม่กักไม่ขังไหลหมดเลยเหมือนน้ำลำบากเทาแบมขึ้นมาแต่ก่อนหรือไหลเท่งไปไหลเลี้ยงไปน้ํำไม่ไม่มาน้ํา มันอยู่ที่เขาปล่อยไปหมดมันนอมไหนสอบวันนี้แต่ก่อนเต็มฟังเลยนี่ก่อนแห้งลงไปไม่มีน้อมใหม่เลยมาก็จะอาจจะหมดได้ชีวิตเมื่อหมดความดีก็เป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นสันโลกป็นอิริชมันหมดความดีนั่นเองอันจึงเป็นเปรตหมดความดีจึงเป็นสนโลก มหมดความดีเจ้งเป็นอาชิลร่กายหมดความนีเจ้งเป็นที่รักฉนันมันเป็นอบอายมันจนแล้วอาภาิภพแล้วเพราะใช้ชีวิตไม่เป็นเอาความลื้อด้านเอาความมาใช้ตัวตนมาเป็นตัวเป็นตนแทนเรื่องความโกร ธ, กรธามมาเพราวเราโกดธพวกทุกก็ดูว่าเาราทุกข์มก็เลยหมดความดี ให้ทุกเป็นทุกให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธวามไม่หลงก็มีในความหลงนั้นความไม่โกรธก็มีในความโกรธนั่นความไม่ทุกข์ก็ม่อยู่ในความทุกข์นั่นไม่เคยเปลี่ยนเลยทำตามมาันมานาแล้วเมื่อมามีสติมันก็สู้แล้วมันเคยช่ย มันเคยใช่จิตมเคยใช่นามใช่จิตใจเราเห็นลูกพอใจไม่พอใจบ้างหูเดียนเสียงก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่วันนี้พรุทเจ้าบอกถนความพอใจและความไม่พอใจในลูกจะได้มามีสติกับไม่มีสติอย่างนี้ ทูเจ้าอาจจะคิดงกอาจจะคิดเจงกว่เราด้วยออบกุบกเบิกไม่มีพูดใดซูไ้ไปบุกเบิกไปสชเวไปหลงทิศหลงทางไปไม่เจ็บไาหลหลงทางหปีศึกษาเรื่องนี้ปีทีห6ยังได้พบทางก็มาถามดิกู่แขเข้าจะนออกเนี มันจะเห็นการแสดงออกมาทุกรูปแบบเป็นชมชมทางที่ผ่านเหมือนอมฐานนี่เป็นป้อมปราการที่จะมีข้าสิกเข้ามาทำลายเมื่อมีป้อมปราการมีสติอยู่มันก็เห็นข้ากสติเหมือนกับเหมือนกับกำลังพล สามาลบค่าสึกได้เพราะมีใช้พวงที่ดีมันเห็นหมดเนก็ไม่มีสติมันก็นหลับช้ำค่าสึกก็เข้ามาคุกคามได้ต้งมีสติอยู่ทุกเมือ่อเธอจะมีสติทุกเมือ่อเมจุลาจะตามไม่ทันความเจ็บความเจลียดความตาจะตามไม่ทันอ น, นี้การบริโภคความพูดที่แรกก็ทำอย่างนี้เลย พอหลงไปทางไหนกน็ลูกขึ้นมาเนี่ยลูกขึ้นมาเนี่ยทได้อยู่ทุกคนทำได้อยู่ยิ่งมีวิชากรรมฐ า, านเขา้าผู้ขเขียนเข้าอยอะจนดอกสิตใจจังบวะเคลื่อนไหวไปมามีรูปแบบเป็นตัวหนังสือแต่ก่อนเป็นตัวหนังสือเขียนไว้ในลานธรรมว่าไตวิดกที่นั้นเอามาเป็นรูปแบบ ตัวนั้นซื้อมาเป็นรูปแบบรูปฉังเข้าอย่าฉันออกสีอรูปแบบสิบห้ารูปแบบมีสองกลุ่มว่าจะได้เห็นเด่นๆให้เดินผ่านไปทางลานทองนอกจากนั้นก็มีเสมาธรรมจักร ที่มันแสดงออกเป็นรูปต่างๆหรือว่าอิทธปัจจตาปฏิจจสมุบปบาทอริสตซีอยู่ที่ธรรมะจักรวามเนธรรมะจักแขังธรรมหมุนไปที่ไหนเหยียบย่อมความโกดความโลภความหลงเรียบไปเลยจักแขังธรรมล่มาไปเลยกู้หลงลงมงายเรียบไปเลย เลยปันหาเลียบไปเลยเหมือนใบมีดแท็กเตอร์ที่มันผ่านทีไหนก็เลียบไปทั้งนั้นแต่ว่าเฉยๆทำมารรมจากอยู่ที่นั่นเป็นรูปเป็นแบบนั่คือหลักการปฏิบัตินี่เองแล้วก็มีคำสอนย่อๆโดยพ่อคำสอนย่อๆนี่ามาจากครูเทียนมีจดดูการเรีนกิต มีสติดูก่อเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยมีสดีดูก่อเคลื่อนไหวเห็นใจบังคิด <c oughs> เห็นพระตรงนี้ว่าชฉยพระออกมาจากรูปแบบเราสอนการเราสอนใจหรอกมีสต ด, ดูก่อเคลื่อนไหวเห็นใจบังคิดหมดเลยคุมได้ป้มปากาน พระพุเจ้าก็ว่าอีกตัดไว้เอกเพื่อสำับฉันวนเพื่อให้เข้าใจหลวงพ่อเทียนก็ไม่รู้หนังสือไม่เคยอ่านหนังสือเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเปิกไปเลยเขียนหนังสือไทยไม่เป็นหลวงพ่อเทียนเขนเป็นเป็นแบบภาษาลาวเอาหลาวงพ่อเทียนตปนพ่อข้าอยู่เมืองลาวเมืองไทย เร่งเดือดไปน้ำขงจากหลงก็ บ, บางถึงบอกเจถึงเจเทาาถึงตัดตะปืนนู่นขายเกลือประเทศเราประเทศเราเขาไม่มีเกลือไม่มีบอกเกลือมันบ้านเราก็พูดภาษาเราเรียนตงังสือเรา อา่านเฉยก็อา่าม่ก็ได้แต่ว่าเขียนก็ไม่เป็นหัดใหม่เมื่อบวชบานี่เองผมก็เทียนมีสติดูก่อเคลื่อนไหวเห็นใจคิดดึกเถียก็พระเจ้าก็แสดงออกมาเพิ่งหัดเห็นอย่างนี้ก็เรือว่ามีดูก่อยผู้แันเข้าอย่านดอกมีสติสมสัญญา สองความอใจและความว่าพอเจอในโลกเสียได้รู้แสงเข้าเหยียดแสงออกมีสติสามัญญาสอนุกสอนทุกอบาได้นี้ว่าเป็นารรสอนสอนความจกความทุกความพอใจความไม่พอใจในรูปออกบาได้มีสติสาัญญา สูฉันเข้าเยียฉันออกถอดควาจพอใจและความไม่พใจที่กำลันเกิดจากความคิดอ้าวเห็นหมดเลยเนี่ยเกิดนั้นกายก็เห็นกายเวทนาที่เป็นสุกเป็นทุกข์ก็เห็นมันคิดก็เห็นแล้วว่าถอนลงว่างมันเกิดอย่าให้เป็นสุขเพราะความคิดอย่าให้เป็นทุกข์เพราะความคิดบางทีก็คิดแล้วก็ปล่อยหลงได้ อันหลงไปจุดที่คิดนี่มากกว่าจุดเื่นถ้ามีสติเห็นถอนลองอมาอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดหลวงพ่อที่นก็สอนว่าอย่าเข้าไปในความคิดให้เห็นเหมือนคิดนั่นแหลคือถอนถอนลองอมาซะมอรู้สักตัวสะเอาความคิดแต่มันคิดออกมารู้สึกตัว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 อะไรที่มันหม่เที่ยงก็มีความเปทุกข์ก็ม <van> ีความม่ใช่ตัวตนก็มีเมื่อมันจะเลี้ยงอกถึงความไม่เที่ยงก็อย่าทุกข์ปกความไม่เที่ยงอย่าทุกข์ประกอบไปทุกข์ถอนหลบมาอย่าทุกข์ประกอบไม่ใช่ตัวตนถึงความวมาเที่ยงไม่ใช่ตัวตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนอย่าเข้าไปเป็นตัวเป็นตนถอนหลกมาลู่สึกตัวเสซะ มันจะเห็นทุกคนนั่นละ่ะไม่ปิดบังเลยเปิดเผยนี่แหละเปิดของที่ปิดไว้หายของที่ป่วมขึ้นมาคือการเจริญสตินี่เพาะกาทำจุดนี้เจะไม่มีประสบการณ์ไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราโดยแก้ไขได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีเด้พัฒนาชีวิตขึ้นมา คนทำอย่างนี้มันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเป็นชินเป็นสมองที่เป็นปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาหรือเกิดเป็นการสร้างบารมีฐานบารมีศีลบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีเกิดขึ้นมากมายบารมีสิบทัศนนี่อยู่ในนี้หรือแสดงออกเป็น ทอเป็นคนรทองอาจจะเป็นโพทธิสัตคิดแต่จะช่วยคนอื่นที่จะจะช่วยตัวเองขึ้นมาหรือเป็นนักลักขิตาลักทรัพยจริงอะไรต่างๆครบหมดร้อยการสร้างบารมีเนี่ยหรือว่ามาสร้างบารมีมกเกิดมาเนี่ยคือมาสร้างบารมีการปฏิบัติธรรมรีเกิดม功德ขึ้นมากมายต่อ กายจากใจใถ้าศึกษาด้แบบด้วยแผนเราไม่ประโยชน์มากกายนี่ใจนี่บมันมีมือมีขาเบียแขนมีปัญญาใีความรู้ความรู้ที่เกิดจากชิวิตนึงเป็นประโยชน์สร้างโลกได้ถ้าไม่มีความรู้เป็นโทษทำลายโลกได้เราจะมาเริ่มต้นกันนี้กันเถอะ ทุกคนก็มีค่าก็สร้างต่วนี้ถ้ามสร้างต่วนี้ทุกคนก็ไม่มีค่าเลยด้วยการลำบากแม้แต่เราก็พึ่งตัวเราไม่ได้ใ้ไขเป็นได้พึ่งตัวเราก็ไม่เป็นธรรมต่อตัวเราลองดูเองแม้แต่กายใจก็ยังไม่เป็นธรรมต่อกันกาเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ตอนที่จะช่วยกัน การักษาใจใจรักษากายที่เป็นการละยามิดเมื่อมีการลายามิ ด, มมาามดเอาสิ่งต่างๆมาเป็นการละยามิดขอบุณความทุกข์ก็ามาไม่ทุกข์ก็ไม่มีความไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ประความทุกข์แท้ๆขอบคุณความไม่เที่ยงม่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงมันมีความไม่เที่ยง มันจึงไม่เป็นทุกข์มันไม่ความไปเที่ยงมันจึงไม่มีทุกข์มันบอกมันเลื่อนฐานะได้ทํำไมจะมาใชเรียกว่าวันมีเราเรียกบาลมีเมื่อมันไม่ทุกข์ประความเร็ทุกมันไม่ทุกข์ประความไม่เที่ยงมันไม่ทุกข์ประความไม่ใช่ตัวตนนี่คือบาลามีบาลเมคือสร้างเอา ว่าจนาคือแต่งเอาอย่างนี้บุญวาสนาคือทําอย่างนี้สิ่งที่คนอื่นเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์เนี่ยคือคนมีบุญมีวาจนาะม่ใช่วาสนาอ้อนวอนว่าเราคิดเราขออย่างนั้นอดี๋ยวนี้วาจนาะอ้อนวอนพุ่งนี่เดือนนี้เดือนอนี้ปีหน้าชาปหน้า อยู่ที่ไหนแมแต่เจ็ดโมงเช้าเราก็ยังไม่เห็นเจ็ดโมงครึ่งเรายังไม่เห็นมาได้กินข้าวเลยมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันจะไหลไปเองเราต้องเอาเดี๋ยวนี้จะตใจจิตเจ็ดโมงคึ่งทำบุญดีเดี๋ยวนี้แม่กลัวทําอาหารเดี๋ยวนี้กลัวจะเจ็บก็เจ็ดโมงขึ้นหุงข้าทําอาหารให้เรา กบโลฉอนเราเที่ยวโลมีชีวิตยอยู่เพื่อทำความดีถ้าไม่เริ่มเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอาหารกินเจ็ดโมงเชา้าถ้าไม่มีทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทำถ้าไม่มีบุญเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีบุญต่อไปจึงเรื่องเดี๋ยวนี้ปัดปจจุบันปัดปัจจุบันปัดจันทจัดเราที่เราสาธยายพระชนน์ทำปัจจุบันให้แจ่มแจ้ ง, งโดยกรรมาฐานเนี่ย ทุกวินาทีก็ว่าได้สิี่จังหวะสิบสี่วินาทีรู้ทุกวินาทีนี้มันจะมีปัจจุบันที่ดีที่สุดและมีอดีตที่ดีที่สุดมีอนาคตที่ดีที่สุดเราปริเสธตรงนี้ก็เท่ากับเราปฏิเสธ ต, ตัวเองเอางี้ใช้ใจคอมาอ้า ง, อ, างอ้างนู่นอ้างนี้ ไปเสียดตัวเองปเสียความดีทึงเหนียวนี้มีลมหายใจอยู่น่าจะทำได้ในชีวิตอยู่นี่น่าจะทำได้ไม่ได้ว่าความแจความเจ็บทำได้ทุกเวลาไม่มีการมีเวลาเราจึงเริ่มต้นเวลานี่็รยกำรฐานวิชากรรมฐานเท่านั้นที่เป็น สิงักดสิเรื่องนี้อาเดิ น, นไม่จักสิทธิ์ไปหาความจักสิทธิ์ตรงไหนกันแม่น้ำจักสิทธิ์ภูเขาจักสิทธิ์อะไ ร, รักสิทธิ์กลับปวาดเหมือนก็ตั้งต้นไม้ภูเขาสัตว์แม้แต่ไส้กรอกแมวก็ยังไปเอาคงาคนช่วมศักดสิทิ์ เอามาบูชาส้กรอกแปลาคนรู้เรือสิพิมพ์เมนูใช้กอกแปวซื่อไส้กอกมาว่าจะบายกินไม่อให่ออกเป็นรูปแมวตัวน้อยตัวหนึ่งผลเป็นแป ล, แปลกออกมาวางไว้บนหิ้งคนไปเห็นขอหวยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้เชื่ิงบูชาอ น, นั้นหรือศักดิ์สิทธิ์อันเปลี่นความชั่วเป็นความดีไม่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหรือแต่มันไม่เปลี่ยนตรงนี้เปา ใส่กอกเปรียวบางเปรี้ยงศักดิ์สิทธิ์มันมาหางงอไปแล้วคนแท้ๆมีสติปัญญาทำไมไม่คิดเอาสิ่งถูกต้องขึ้นในการในใจนี่ความเป็นธรรมกับเรียกร้องกับคนอื่นส่วนอื่นน่เราไม่มีความเราทาหาความเราทไม่พบ ถ้ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเกิตายกับเจอแล้วมันก็มีความเป็นธรรมไปเรื่อยๆจนเหนอการแก่เจ็บตายโน่นก็เก็บผู้ความเจ็บมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วเก็บตรงเห็นเมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพุ่งจากความเจ็บเนี่ยคือความเป็นธรรมไม่กระทบกระเทือนเลยตายไม่ได้าาตายผู้ความตายเห็นมันตายไม่ตายเพราะความตายมันยังพุ่งจากความตาย ความเป็ธรรมเราทำอย่างนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงนี่ความเป็นธรรมเหมนทุกเห็นเหมืนทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุกนี่คือความเป็นธรรมปรารถนาใครมาช่วยทุกเองต้องเปลี่ยนไม่ทุกเองหลงเองต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ช่วยตัวเองแต่ามาช่วยตัวเองใครจะมาช่วยได้ มีเสถียรที่จะเปลี่ยนความร้าเป็นความดีหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทันใจเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นกร็รู้เดี๋ยวนี้ปัจจุปันนั้นจะเดี๋ยวนี้โยทำมังตะตาตาวิปัสสติเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นข็ ย, ย่นเข้าไปหย่อยยนลูกเข้าไปที่ว่าภาวนา นี่จึงจะเป็นขันใจแท้ๆน่ายประโยชน์แท้ๆเราปล่อยชีวิตเราทิ้งมาเท่าไหร่ปล่อความหลงมาอยู่ที่ใจห <c oughs> ลงเป็นหลงอ๋ทิ้งความหลงมาในกาลในใจแล้วปล่ย ใ, ใจก็ไม่เป็นธรรมเลยทุกเป็นทุกอ๋อทิ้งความทุกข์มาในกาล ใ, ในใจแล้วโกรธเป็นโกรธก็คือทิ้งความไม่เป็นธรรม บ้านในการก็เจอเลยอฤทธิ์ไปเลยบม น, นะ <c oughs> ไม่แจ้ไขไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลายเป็นดีเลอะเทอะไปหมดเลยกายใจเขาเหลวองสอนหกมุ่นโปเื้อนวุ่นวายไปเลยหรือว่าขนขนก็มันปนเปนกันไปพวกคนที่ตกระลกเปนเปกเป็นชุรกาย ถ้ายังเป็นคนอยู่เมื่อใดก็ต้องไม่มีโอกาสตลกลรเป็นป่วชุลกายสติรัชานงูหลงก็ยังหลงอยู่งูหลงมันกันกู้ไปเลยแล้วชุลกายทําไมไม่เปลี่ยนให้เป็นรูทุก็เป็นทุกเนี่ยสุลกายไม่มีปัญญายไม่มีสติเปลี่ยนเป็นทั่วไปทุกน่าอยู่ทําไมไม่เปลี่ยน มันยิ่งกว่าสุรกายเสด้วยทำตามความโกรธเียผู้เชียวคนทมตามความทุกข์จนตอยอกชกต่ อ, ตอยตัวองฆ่าตัวตายนี่สุรกายจะได้เราเห็นจุวกายขนาดถ้ามันมีคนหรืว่าเปล่นอยู่ตรงนี้ก็บเปมีสุรกายม่นเกิดจากนี่ก่อนรอกวัวตัว ล, ล็กๆก็เปลี่ยนความทุกข์ผู้คนไปทุกข์เอง ากวาวบเป็นแบบกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยตาขวาเป็นสนัตวโลกก็เปลี่ยนความทุกข์ควมไปทุกข์เนี่ยมีไหมหลงมีไหมก็มันมีก็รีบเปลี่ยนเจดวันเข้าคอร์สเนี่ยอาจจะค่อยสย่องสอหรือห้อยหมดไปบ่มบังไปเป็นนิสัยขึ้นมาเออเคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้แล้วจะได้ใช่ไม่ใชติจะได้ก็ใช้ได้ ที่แรกก็จะง่ายมากยังยากมากที่เรเื่องนะไม่อยากหลงก็หลงไม่อยากคิดก็คิดนั่นแหละงานของเราหยุดความคิดไปเป็ดอย่ า, าเวลานอนบีบตาเข้าเพื่อไม่ให้มันคิดมันนอนไม่หลับพวามคิดบีบตาเข้าไปมันก็ยังไม่หยุดก็ไม่หัดไปหัดถักลาผ้าด้วยเขา่ามันก็ทําไม่ได้ พอใหม่เคหัดด่าก่อนไม่ฝึกมาก่อนก็ใช่ไม่เป็นเลยกดไม่ได้วองโกรธก็อดไม่ได้โธ่ชอกล่อยกาดทำดามความโกรธพูดออกไปแสดงไปเส่นฆ่ากันไปมันโดดไม่ได้ทนไม่ได้มันหักลําผ้าโดยเขามันทำ ไ, ได้ต้องฝึกไว้ยฝึกไว้ยฝึกไว้ให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยมันจะิงจะทำได้ เหมือนข้าศึกมาในไม่มีป้อมปาการไม่มีชติข้าศึกก็มาถึงจุดเป็นจุกข่าจึกชนะแล้วทุกเป็นทุกข่าศึกชนะแล้วกำลังคนแค่แล้วจะเหลือไหมเรามีค่าจึกใช่ไหมค่าจึกเลยเป็นชนะหรือว่ากาลังคนชนะตรงเนี้ ถ้าเป็นนักลบนะแล้วก็ไม่มีความแม่นยำไม่ฝึกไววไปชํำนานสติต้องหาก่อนเดีย๋ยวนี่ความฉุกขวาทุกขหาก่อนมันเลยเปอย่างนี้ก็เลยรับแบออกรับสุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกโกดเป็นโกดหลงเป็นหลง หรือ ใ, ใ, ใช้ใช้ใชคอมเกี่ยวโดยต่างๆเป็นอย่างนั้นจ้ะนี่เราเราก็เลยกํลาลังพนก็อ่อนแอพ่อยแพ้ไปเลยป่าไรใช้ไปเลยป่าไรใช้เนี่คือป่าไรชิกกันเลยปรารชิกคือห้ามสวรรค์ น, นั่นไมพผ่านไปเลหลงเป็นหลงเลยห้ามสวรรค์ น, นี้พ่านแล้วทุกเป็นทุกกห้ามสวรรค์ น, นี้พ่านแล้ว สอนในผ่านมันไม่มีเนี่ยจึงเห็นหลงเป็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงโทษจากความหลงนี่ไปแล้วไปสู่มรรคสู่ผลแล้วทุกเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกเนี่ยไปสู่มรรคสู่ผลหรือถ้าทุกเป็นทุกเนี่ยไปชั่าวบายห้ามสอนทห้ในผ่านแล้วว้อนบอนลไปสําเร็จน่นเนี่ยมันจะเป็นทุกไปสู่อรมายก็เป็นอยู่นี้ไปก่อนทางมานแยกตรงนี้ แยกตรงนี้ให้ความสำคัญตรงนี้ชีวิตเราต้องให้ความสำคัญตรานี้จิงจะมีค่าวนะพอหลังข้าวขอดเจ็ดวันขอดเต็มที่จำไมันต้องคิดอะไรโศตตายตายเป็นตายเอาอิมาหังเพื่อว่าอาตจะพวังอมากังริษัทจะไม่ข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติ วิปัสสาก็ถอนแ ม, ม่เลือดเนื้อกระดูกจะผุพังไม่ก็ตายจะสู้ตรงนี้สู้เม่ล้มันหลงจะไม่หลงตรงนี้ไม่ได้สู้ถึงเหงือไหลคขย้อยเงือไม่ออกสู้กับความหลงต่อสู้ไม่ได้ก็หลงเป็นหลงแล้อว่ถ้าสู้ก็เยื่ยมหัวลอความหลงมันได้ไประโยชน์มันเป็นปุ๋ยแห่งความไม่หลง หัวเลาขวงหลหัวลขวางคิดเล้วว่ามันงอกงามขึ้นทีนี้หนอโพธิเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีปุ๋ยคือความไม่ดีเป็นอกุศลมันจึงงามในกุศลขึ้นมาพระเจ้าชนะทุกข์ใช้ไหมจึงด่พุทธะถ้ามมนมีทุกข์พรเจ้ามันเป็นพระเจ้าแล้วเห็นทุกข์เนี่ย เห็นเหตุที่เกิดทุกเนี่ยเห็นทางดับทุกปฏิบัติต้อมท้งดับทุกได้แล้วทําได้แล้วนี่เลยว่าตัดจะดูมันหลงเปลี่ยนหลงได้แล้วมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นลูปแล้วเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ใช่อ้อนวอนอยู่ที่ไหนพุทธคือตัวปัญญาเห็นธรรมพุทธเจ้าอหเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่เห็นธรรมคือผู้นั้เห็นปฏิจจุบบาท อ, อยู่ารธรรมมีเสียมงศทธรรมจักคือสริงที่เนื่องด้วยกันเพราะหลงจึงทุกข์เพราะหลงจึงโกรธเพราะหลงจึ ง, อ, ง, จงอะไรต่ายเยอะๆเลยหลงเป็นตัวใหญ่เป็นมารดาของอกุศลชั่วไปเลยถ้าลูกเป็นทางกุศลดีไปเลยเราจะเลือกไงชีวิตเรามาเลือกได้ เลียว่าเลือกได้บุญวาจาเนี่เลือกได้ไม่ใช่ว่าแข็งไม่ได้แข่งได้ทําไมจะแข็งไม่ได้พรเราทําได้ไงหลงเป็นไม่หลงทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยมีบุญวาจนาเนี่ยบุญได้ตรงนี้เลยทุกเป็นทุกเนี่ยคนมีบาปโกรธเป็นโกรธคนมีบาปไปคว้าบาปที่ไหนกันบาปก็คือที่ในสันดานเดยในสันดานเนี่ย คือใจคือใจเนะ่ยเอาไหมเท่านี้เพียงพอาแบบปฏิบัติพอนะแล้วแล้วก็จําจำคําสอนหลงพ่อเทียนนะอย่าเข้าไปในความคิดเห็นมันคิดเข้ามาทำก็เห็นแต่ความคิดแนตะ่มันแสดงมาไอ้ลูกก็คิดถึงลูกมีเมวคิดถึงเมวไอ้อะไรก็คิดถึงเรื่องนังกลับมาลูกจกตัวก็มาลู้จะตัว มีสติดูกายเกลืไหวให้ใจไม่ชิดนี่โอ้ยเพียงพอเลยเพียงพอไปอยู่ที่ไหนก็บีพร้อมพร้อมจะทำได้ดรงนี้อ๋อสมคมวรใชเวลากับพพร้อมกัน